พร้อมไหมฟังธรรมะธรรมะเป็นของประณีตละเอยียดอ่อนการฟังธรรมะก็ต้องใช้สมาธิในการฟังแต่ไม่ถึงขนาดเข้าฌานถ้าเข้าฌานก็ฟังธรรมะไม่ได้ใจก็ต้องออกมารับอารมณ์ข้างนอกนี้ง่้นถ้าใจของเรามันวอกแวกๆอกแวกนะ กฟังธรรมะยากถ้าใจของเราสงบนะการฟังธรรมะก็ไม่ยากอะไรเพรนเบื้องต้นเวลาเราฟังธรรมะนะเราลืมเรื่องโลกๆของเราไปก่อนทุ่มนี้หรือสองทุ่มนี้จะนัดใครอะไรลืมมันไปก่อนตอนนี้ห้าโมงครึ่งเป็นเวลาของเราเป็นเวลาที่จะหาคุณงามความดีใส่ตัวเอง เวลาฟังธรรมะนะฟังเราไม่รบกวนคนอื่นนะอย่างถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่างดถ่ายรูปเราถ่ายรูปพนเดียวนะมันกวนสมาธิคนอื่นหลายคนธรรมะเราฟังด้วยความเคารพในพระธรมรมธรรมะเป็นของสูงเป็นของประณีตเป็นสิ่งอัศจรรย์ เป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากคนสมัยก่อนพุทธกาลหรือสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาสแสวงหาธรรมะกันถึงขนาดมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งคอยสั่งคนไว้สั่งพวกพ่อค้าสั่งอะไรพวกนี้ว่าถ้าได้ข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะให้รีบมาบอกให้หลังวันวันหนึ่งพ่อค้า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 ท่านถามแล้วสามรอบพอแน่ใจว่าไม่ฟังผิดนลถามพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพอรู้ที่เนี่ยท่านก็สั่งให้พ่อค้าที่เป็นคนมาบอกข่าวเนี่ยว่าให้ไปรับรางวัลจากพระมเหสีท่านไม่เข้าหวังละท่านจะรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามนคนสมัยก่อ น, นเขาหิวธรรมะงั้นธรรมะนี่เป็นของสดใหม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน ใจของเขาพาสัมผัสธรรมะเนี่ยมันมีความแปลกใหม่มันเร้าใจจุดความสนใจพอมีความสนใจเกิดขึ้นสมาธิมันก็เกิดขึ้นมีความจดจ่อกอัการฟังธรรมถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่มีสมาธิที่จะฟังนี่พ่อค้าเข้าไปหาพระมีเหสีก็ไปบอกพระมีเหสีนะหสว่าพระราชาให้มารับรางวัล รางวัลก็คือการบอกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระมเหสีก็ให้รางวัล น, นะเราก็รีบตามพระเจ้าแผ่นดินไปเลยออกบวช ด, ด้วยกันทั้งสององค์เป็นพระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงทั้งคู่เลยพวกเราเกิดมาในแผ่นดินซึ่งมีพระพุทธศาสนามาแต่ไหนแต่ไรเราคุ้นเคยกับธรรมะใจของเราก็เหมือนเชื้อโลกดื้อยา เราฟังธรรมะแนละ้วมันไม่ค่อยถึงอกถึงใจเงั้นเราจะต้องมาช่วยตัวเองหน่อยนะเปิดใจของเราให้สดใหม่ให้กว้างการเรียนธรรมะนะั้นต้องสลัดความคิดความเชื่อเก่าๆทิ้งไปเมื่อก่อนบางทีเราก็คิดว่าถ้าเราจะศึกษาปฏิบัติธรรมเราต้องนั่งสมาธิมากๆ คิดถึงการปฏิบัติที่ไรก็นั่งสมาธิทุกทีหลวงพ่อมา่ก่อนก็นั่งใต้แต่ะเจ็ดขวบนะนั่งสมาธิไม่เลิกเลยนั่งอยู่22ปีสมาธิแบบไหนแบบไหนก็เคยนั่งส่วนใหญ่สมาธิที่ไม่เคยนั่งเนี่ยแทบไม่มีนั่งอยู่22ปีมันไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความสงบนะวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ย ฟุ้งส่านจะมานั่งสมาธิใหม่ก็สงบใหม่อยู่ไปสองวันฟุ้งซ่านอีกแล้วเขาอุตส่าห์ทาอยู่22ปีนะหวังว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะได้มากผลนิพพาน22ปีมันก็ไม่ได้อะไรจนวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านสอนคือท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่อาศจารไม่มีใครเหมือนนะ เวลาเราไปหาท่านไปถามธรรมะท่านน่ยท่านไม่ได้เทศเลยอย่างพอหาท่านไปกราบเรียนบอกหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติอย้ท่านนั่งเงียบนะหลับตาเลยหลับตาไปเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านต้องพิจรารณาว่าฐานเดิมของเราปฏิบัติมาแบบไหนการปฏิบัติแบบไหนหสมควรแก่เรา หลวงพู่ดูลสอนคนแต่ละคนไม่เหมือนกันลูกศิษย์ของท่านมีสารพัดแบบให้นั่งสมาธิก่อนแล้วเจริญปัญญาเจริญปัญญาก่อนเกิดสมาธิที่หลังทำสมาธิกับปัญญาควบกันนสารพัดแบบดูกายก็มีดูจิตก็มีสารพัดท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านรู้นะไปกราบท่านท่านหลับตาไปพอท่านลืมตามาท่านก็รู้แล้วว่าหลวงพ่อเป็นยังไง ท่านก็สอนเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้ท่านรู้นะเมื่อเราอ่านหนังสือมามากแล้วศึกษามามากให้ลืมไปเลยความรู้ความเข้าใจเก่าๆนียทิ้งมันไปก่อนแล้วให้อ่านจิตตนเองไปเนี่ยถ้าหนวงพ่ติดความรู้ความเข้าใจเก่าๆ เราก็รับธรรมาที่สดใหม่ของท่านไม่ได้ธรรมมาก็แห้งแล้งเคยทำไงก็คิดจะต้องทำอย่างนั้นตลอดไปไม่สามารถเรียนรู้อะไรที่ใหม่ๆได้เพราท่านสอนให้ดูจิตตนเองเขาข้ามาหัดดูเอาจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนไปทั้งวันทั้งคืนเฝ้ารู้เฝ้า ด, าดูอยู่ไปเรื่อยหัดดูจิตไม่ใช่ไปเพ่งให้จิตนิ่งไม่ใช่เพ่งให้จิตสงบ หาทีแรกก็ไม่เข้าใจท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็าไปรักษาจิตฝึกไปเรื่อยนะจิตเข้าไปเกาะอยู่กับอารมณ์ไปรวมกับอารมณ์นั้นเรฝึกจนมันแยกออกมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็รักษาความเป็นจิตผู้รู้เอาไว้ส่งตัวรู้อยู่ยงั้นอยู่ได้เป็นนานๆแล้วก็ชีว่านี่ดูจิตไปหาหลวงปู่นะ ฝึกอยู่สามเดือนนะไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าทําผิดแล้วยังไม่ได้ดูจิตเลยไปแทรกแซงอาการของจิตไปรักษา จ, จิตให้นิ่งให้ว่างถึงจับหลักได้ว่าการดูจิตดูใจกนะ็คือดูจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายนะมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปล ง, ปลงไปเรื่อยๆในสุดเราก็เห็นนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นเป็นของโช ค, คราว จิตที่สุขก็ชั่วคราวความสุขที่เกิดขึ้นกับจิตก็ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็ชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตก็ชั่วคราวความหลงก็ชั่วคราวนะความรู้สึกตัวก็ชั่วคราวความสงบก็ชั่วคราวความฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวในการปฏิบัติเป็นเรื่องอัศจรรย์นั้นดูแล้วเพลนเพลิดูแล้วไม่น่าตื่นเต้นเหมือนการนั่งสมาธิเลย น่สมาธิรู้นอนรู้นี่เ ห, นนนเห็นนอนเห็นนี่ออกไปเที่ยวข้างนอกเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรต่ออะไรมันดูตื่นเต้นน่าสนใจหรือเกิดความรู้ความเห็นอะไรเยอะแย ะ, ย ะ, ยะอะไรที่คนเขาไม่เห็นเราก็เห็นอะไรเงี้ยให้ถ้ามันหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ล้างกิเลสไม่ได้ การที่มหัดคอยดูความรู้สึกของตัวเองดูจิตดูใจของตัวเองเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายดูแล้วมันธรรมดาไม่โลดโผนไม่ฉูดฉาดบางคนเลยไม่ชอบของดีของวิเศษธรรมดาของดีของวิเศษของง่ายของเกินธรรมดาเกินธรรมชาติของปลุงของแต่งงั่นเรามหัดนะมาหัดมาฝึกจิตฝึกใจของเรา การปฏิบัติไม่ยากนี่ประโยคแรกที่หลวงปู่ดุลยสอนหลวงพ่อเลยนะการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วแต่เป็ น, นิยานจิตตนเองของพวกเราก็เหมือนกันบางคนก็ฝึกนั่งสมาธิมามากก็หยุดไว้ก่อนไม่ใช่ว่าไม่ให้นั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่มีวันที่จะเกิดปัญญาการปฏิบัตินั้นมันมีอยู่สองส่วนคือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน มันมีสองอย่างนะถ้าเราทําแต่สมถะกรรมฐานหวังว่าจะได้มากผลนิพพานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยมันคนละเรื่องกันอยากได้มากผลนิพพานอยากเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นเข้าไปด้วยปัญญาไม่ใช่เข้าด้วยสมาธิพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้เข้าไม่ได้จริงนะ สมาธิมันเป็นแค่เครื่องคมกิเลสไม่ให้ครอบงำจิตเท่านั้นเองมันขมได้ชั่วคราวเดี๋ยวกิเลสก็ตีคืนในการปฏิบัติเราต้องเข้าใจนะครับปฏิบัติ ม, มันมีสองส่วนส่วนของสมถะกรรมฐานเนะี่ยเอาไว้ขมกิเลสได้ชั่วคราวพอกิเลสมันถูกขมไปนะจิตใจของเราก็มีความสุขมีความสงบพอกิเลสมีกําลังแก่กล้าแก่กล้าขึ้นมาม า, มา ก, กว่าสมาธิจิตใจก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกกิเลสก็กลับมาอีก มันก็ได้แค่นั้นได้แค่พักผ่อนสบายเป็นคราวๆไปส่วนวิปัสสนากรรมฐานเนะี่ยเป็นการเรียนให้เห็นความจริงของกายของใจวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยมันจะคำว่าวิเดีย ค, คำว่าปั ส, สนาปัฏนานคือการเห็นเพราะฉะนั้นวิปัสสนาไม่ใช่การคิดเอาด้วยบางคนบอกวิปัสสนาต้องคิดพิจรารณาการคิดเเรียกว่าวิตกไม่เรียกวิวปัสสนานะคาว่าวิเนี่ยแปลแจ้ง วิปัสสนาก็เห็นแจ้งเห็นความจริงเห็นความจริงของอะไรเห็นแจ้งอะไรเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจความจริงว่าอะไรความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตางั้นถ้าเราไม่ได้ตามรู้ตามดูความจริงของกายของใจไม่เห็นกายไม่เห็นใจแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่ได้ทํำวิปัสสนากรรมฐาน ยังไงเขาไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเข้าสู่บรรลุมรรคผลนิพพานไดน้ต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่โดยธรรมชาติของจิตใจเนี่ยที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้เนี่ยต้องมีสมาธิรองรับถ้าไม่มีสมาธิรองรับเลยเนี่ยทำวิปัสสนาแท้ๆไม่ได้ใจจะฟุ้งซ่าน แต่สมาธิที่จะรองรับมิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่เหมือนสมาธิที่คนทั่วๆไปเขาฝึกกันสมาธิมันมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยเป็นการน้อมจิตให้ไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นจิตใจของเราเนี่ยมันจะหนีไปเที่ยวตลอดเวลาเดียวหนีไปดูเดี๋ยวนี้ไปฟังเดี๋ยวนีไปคิดฟุ้งซ่านนันจะวิ่งอุตตรุษเลย เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดน้ำหมุนติ้วติ้ติอยู่ทั้งวันหาความสงบไม่ได้ถ้าทําความสงบของจิตกนะ็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขคนไหนมีความสุขอาการท่องพุทโธก็พุทโธไปคนไหนดูลมหายใจแล้วมีความสุขก็ไปรู้ลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบมีความสุขก็ไปดูท้องพองยุบอะไรก็ได้นะไม่จํากัดอารมณ์ของสมถะกรรมฐานไม่จํากัดเลย ใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้คือใช้เรื่องราวที่เราคิดพิจารณาขึ้นก็ได้เช่นคิดคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธบริกรรมไปนี่เป็นอารมณ์บัญญัติคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภะอะไรนี้่เป็นการคิดพิจารณาเป็นอารมณ์บัญญัติก็ใช้ทําสมถะใช้อารมณ์รู้ประธรรมนามธรรมาก็ได้นะเช่นรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกดูท้องผ่องยุบอันนี้เป็นสมถะ หรือไปดูจิตเพ่งจิตให้นิ่งนะรักษาจิตให้นิ่ง <_ C> e <os> เพ่งตัวผู้รู้อะไรเพ่งความว่างเพ่งความว่างก็เป็นสมถะนะ <_ C> e <os> เพ่งตัวจิตที่ไปรู้ความว่างก็เป็นสมถะนะเพ่งความไม่มีอะไรเลยก็เป็นสมถะเพรานั้นไม่ว่าจะเพ่งอารมณ์บัญญัติหรือเพ่งอารมณ์รูปประธรรมอารมณ์นามธรรมก็เป็นสมถะได้ทั้งหมดเลยกระทั่งอารมณ์นิพพานนะแต่พวกเราเอานิพพานมาทาสมถะไม่ได้ คนที่เอานิพพานมาทำสมถะได้ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเวลาเข้าสมาบัติชนิดหนึ่งเรียกว่าพระสมาบัติบุตุชนทําไม่ได้ใช้นิพพานเป็นอารมณ์งั้นสมถะนี่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อะไรก็ได้อย่างใดก็ได้เพราะฉะนั้นใครถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตสงบอยู่กับพุโทโธก็ได้สมาธิได้ความสงบสมาธิชนิดสงบอยู่ในอรมณันเดียว คนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปนะจิตไม่หนีไปจากลมหายใจสงบอยู่กับลมหายใจก็เป็นสมาธิชนิดที่สงบสมาธิสงบอยู่ในรมอันเดียวนี้มีชื่อเป็นทางการว่าอารามานูปนิชฌานจิตเพ่งอยู่ในรมอัเดียวไปดูท้องฟองยุบนะจิตสงบอยู่กับท้องไม่หนีไปไหนเลยไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตแนบอยู่ที่เท้าไม่หนีไปไหนเลยนี่แหละสมถะกรรมฐาน ทำสมธะกรรมฐานเนี่ยไม่มีวันที่จะเกิดปัญญาแต่มีประโยชน์ทําให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงมันต้องยกระดับจิตให้เกิดสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาสมาธิชนิดนี้มีชื่อเป็นทางการนะชื่อลักขณูปนิชฌานสมาธิมีสองชนิดนะอย่างสมาธิที่จะใช้เป็นบาดเป็นฐานของวิปัสชนากรรมฐานเนี่ยชื่อลักขณูปนิชฌานไม่ใช่สมาธิที่จิตสงบแนบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียว คนละชนิดกันเลยสมาธิที่จิตสงบแนบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมถะกรรมฐานเอาไว้พักผ่อนเอาไว้นอนเล่นนอนมากๆไม่รวยใช่ไหมต้องขยันทํามหากินไม่เจริญวิปัสสนาก็ไม่รวยในศีลในธรรมหรอกต้องขยันเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหนื่อยก็ต้องทําสมถะพักผ่อนเหมือนเราทํางานหนักอยู่ที่นี่ทํางานกันสองทุ่มสามท่มเหนื่อยต้องพัก ตอนที่เราทำงานนี้ก็เทียบกับเหมือนเราเจริญวิปัสนาอยู่ตอนที่เราพักผ่อนก็คือการทำสมถะพักผ่อนตลอดเวลาไม่ได้ทำงานใช้ไม่ได้ทำงานรวดไปเลยไม่ได้พักเลยจิตใจก็อ่อนล้าไม่มีเรื่อมีแรงงั้นเราทำสมถะแต่ทำพอให้จิตใจชุ่มชื่นมีเรี่ยวมีแรงทุกวันแบ่งเวลาไว้พุโทโธพุโทโธไปก็ได้คนไหนชอบพุโทโธก็พุโทโธ คนไหนชอบรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจนะคนไหนชอบดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปอะไรก็ได้นะเหมือนกันหมดอนะ่ะเป็นหลักของการปฏิบัติอันเดียวกันงั้นะเราแบ่งเวลาไว้นะถ้าสมมติเรากลับบ้านดึกหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วทไม่ไหวแล้วเราตื่นให้เร็วขึ้นนิดนึงปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนเลยแบ่งเวลาไว้นิดหน่อยนะวันหนึ่งสิบห้านาทีก็พอลนะเบื้องต้นเอาสักสิบนาทีสิบห้านาทีนี่แหละไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็ ทำกรรมฐ า, านอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพุโทโธพุธโทโธไปจิตหนีไปแล้วรู้พุโทโธพุธโทโธจิตหนีไปรู้นะอย่าบังคับมันถ้าบังคับจิตจะไม่สงบต้องทําให้สบายจิตถึงสงบเคล็ดลับของสมาธิก็คือทําให้สบายอย่างเรารู้ลมหายใจรู้ไปอย่างสบายๆนะแป๊บเดียวจิตสงบเลยถ้าเราหายใจแล้วก็อึดอาดหายใจแล้วก็อึดอัดนะหายใจไปตั้งชั่วโมงจิตก็ไม่สงบเคล็ดลับที่จะทําความสงบนะก็คือทําให้สบาย เหมือนเราจะนอนหลับอยากนอนหลับเร็วๆต้องทำใจสบายใจเครียดเครียดนอนไม่หลับใช้หลักแบบเดียวกันนี้ไนดะ้นอนหลับนี่ก็ให้ร่างกายพักผ่อนทำสมถะก็ให้จิตพักผ่อ น, นจะพักผ่อนได้มันต้องสบายใจก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่พอพักพอสมควรแล้วนี่ต้องหัดเจริญปัญญาการที่จะเจริญปัญญานี่ต้องมาฝึกจิต ไห้ได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่สมาธิสงบนะเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นถ้าเราไปดูคําแปลในพระไตรปิฎกนะในพจนานุกรมอะไรเนี้ยเราจะพบว่าสมาธิเนี่ยเขาแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบแต่พวกเราชอบคิดถึงสมาธิก็ ค, คิดถึงแต่ความสงบเพราเราชินกับสมาธิของฤาษีชีพลเราไม่ชินสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะทำหิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ถ้าเราทำมิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ชาตินี้เราไม่มีโอกาสเข้าถึงมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิชนิดนี้แหละเป็นตัวแตกหักเลยว่าเราจะปฏิบัติธรรมได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้หรือไม่ ถ้าเราไม่มีสมาธิอย่างที่สองที่รักลักขนุแผนิชานจิตตั้งมั่นขึ้นมาไม่ใช่แค่สงบแต่ตั้งมั่นขึ้นมาถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวถ้าทำไม่ได้น ะ, จะเจริญปัญญาไม่ได้อย่างห่างไกลต่อมาผลนิพพานมากถามว่ายากเกินไปไหมที่จะฝึกสมาธิชนิดนี้บอกตรงๆว่าไม่ยากง่ายกว่าสมาธิสงบสิก สมาธิสงบนั้นกว่าจะทําถึงฌานไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายเลยแล้วคนรุ่นเราเนี่ยที่ทําจนถึงฌานได้มีไม่มากหรอกแทบจะนับตัวได้เลยที่บอกว่านั่งสมาธินั่งสมาธิกันนั่งเคลิม้มเคลิ้นั่งขาดสติมิจฉาสมาธิซวยได้ซ้ําไปไม่ใช่สมาธิดีเป็นมิจฉาสมาธิบ้างบางทีครูบาอาจารย์เรียกโมหะสมาธินั่งแล้วโมหะครอบนะหรือนั่งแล้วราคะครอบเพลิดเพลินมีความสุขความสบายใจ นี่หลงผิดนะความหลงผิดอย่างแรงเลยเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มันเป็นผู้รู้มันจะไม่เป็นผู้คิดถ้าเมื่อไหร่มันเป็นผู้คิดมันจะไม่เป็นผู้รู้เพราะธรรมชาติของจิตนั้นรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตที่ไปดูจะไม่ได้ฟังจิตที่ไปฟังจะไม่ได้ดู จิตที่ไปดูจะไม่ได้คิดจิตที่คิดจะไม่ได้ดูมันจะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ดูและจิตเราจะทำงานสลับกันตลอดเวลานะอย่างขณะนี้นั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อเห็นไหมว่าหน้าหลวงพ่อเห็นชัดแวบเดียวดูให้ดีนะเอา้าเชิญดูจะแสดงปฏิหารให้ดูนะดูทีเห็นหน้าหลวงพ่อชัดเนี่ยจะเห็นชัดแวบเดียวเท่านั้นเอง แล้วเบลอๆขนาดที่ตั้งใจฟังเนี่ยหน้าตาหลวงพ่อจะเบลอไปแล้วฟังสองสามคำเราจะสลับไปคิดสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปในขณะที่คิดเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเนะฉั้นจิตเนี่ยรับอารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเท่านั้นเองเพั้นถ้าเมื่อไรมันเป็นจิตที่เป็นผู้รู้มันจะไม่เป็นผู้คิดเมื่อไหรมันเป็นผู้คิดมันจะไม่เป็นผู้รู้ ถ้าเรารู้หักอันนี้แล้วเนี่ยเราจะสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมาไม่ใช่ยากให้เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดหัดไปนะเราหัดเหมือนที่ตอนทําสมถะใช้อารมณ์อย่างเดียวกับตอนที่ทําสมถะนะั่นแหละแต่เดิมพุโทโธพุโทโธแล้วก็ให้จิตสงบอยู่กับพุโทโธหายใจไปแล้วให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบแล้วให้จิตสงบอยู่กับท้องอันนี้เป็นการทําสมถะแต่การที่จะพัฒนา จิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ใช้พุโทโธใช้ลมหายใจดูท้องฟองยุบเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ปรับนิดหนึ่งพุโทโธพุโทโธแล้วก็ถ้าจิตหนีไปคิดให้รู้ทันพุโทโธพุโทโธถ้าจิตไปเพ่งจิตให้นิ่งให้รู้ทันหายใจไปถ้าจิตหนีไปคิดให้รู้ทันหายใจไปถ้าจิตไหลไปเกาะที่ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจให้รู้ทัน ดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องไปรวมอยู่ที่ท้องให้รู้ทันจิตมันจะเคลื่อนมันเคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งบ้างนะเคลื่อนไปคิดเนี่ยมันหลงไปเคลื่อนไปเพ่งเนี่ยมันบังคับตัวเองไว้เคลื่อนไปคิดเป็นการสุขาริการโยโยนะเคลื่อนไปเพ่งอยู่เป็นอัตตะกิลมั า, ฐฐา น, นโยโข่มตัวเองไว้ไปเพ Lil ่งนิ่งๆถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตรู้จะเกิดขึ้นเอง จิตรู้เป็นจิตที่สรงสมาธิตั้งมั่นไม่เคลื่อนไปไม่ไหลไปจิตของเราไหลตลอดเวลานะไหลออกทางตาไหลไปดูไหลออกทางหูไหลไปฟังไหลออกทางใจนะไหลไปคิดบ้างไหลไปเพ่งบ้างจิตมันจะไหลตลอดเวลาทางนี้มองเห็นพระพุทธรูปไหมมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งทางด้านน้นลองดูเห็นไหมเห็นไหม สังเกตดูขณะที pues, air, ่เราตั้งใจดูพระรู้สึกไหมจิตเราไปอยู่ที่พระแล้วนี่แหละจิตที่ส่งออกนอกนะจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปเราไปดูพระพุทธรูปนะจิตไหลไปทางตาจิตจิตมันจะไหลไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ไหลไปหลวงปู่ดูนเรียกจิตที่ไหลไปว่าจิตออกนอกจิตที่ส่งออกนอก ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปนจิตจะตั้งมั่นไม่ส่งออกนอกหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เนเวลาเราคิดไปเนี่ยจิตมันจะไหลไปถ้าเมื่อไหร่หยุดคิดนจิตรู้ก็เกิดแต่ท่านก็สั่งว่าต้องอาศัยคิดด้วยนะไม่ใช่ห้ามความคิดถ้าจิตเรามีหน้าที่คิดให้เขาคิดไปแต่พาจิตเขาคิดแล้วจิตของเราไหลไปในโลกของความคิดให้เรารู้ทัน เมื่อสองสมเดือนก่อนหลวงพอ่อเจอครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อคุณแม่จันดีเป็นน้องสาวหลวงตามหาบัวท่านไม่สบายมาเข้าโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยนะหลวงพอ่อไปเยี่ยมท่านนะไปเยี่ยมท่านท่านก็เจอหลวงพอ่อท่านก็ถามบอกท่านอาจารย์เริ่มต้นปฏิบัติมาแบบไหนทําไมจิตมันลงที่เดียวกันทำไมจิตมันลงที่เดียวกับท่านแปลว่าอย่างนี้ย ตมาก็เล่าให้ท่านฟังว่าตมาเริ่มจากลมหายใจหายใจเข้าพ in ุทธหายใจออกโทนะลมมันค่อยๆสงบมันตื้นตื้นต้นขึ้นมากลายเป็นแสงสว่างอยู่ที่จมูกเนี่ยอยู่ที่จะงไอยปากจิตกลายเป็นแสงสว่างลมหายใจเนี่ยหดลงมากลายเป็นแสงก็ลมนี้กลายเป็นแสงเนี่ยถ้าจิตเคลื่อนไปเนี่ยรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันท่านบอกท่าเชิงนั้นอันเดียวกันอันเดียวกันแต่ว่าหลวงตามหาบัวสอนท่านเนี่ย ให้พุทโธอย่างเดียวไม่ได้ให้หายใจด้วยให้พุทโธแล้วก็กําหนดอยู่ตรงนี้นะล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันตรงที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนนั่นแหละเราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี้ยเราจะได้สมาธิชนิดที่พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาการเจริญวิปัสสนากรรมฐานส่วนสมาธิที่จิตสงบนิง่ง อย่างนี้นะนิ่งลึกลงไปเนี่ยจเจริญปัญญาไม่ได้เป็นที่พักผ่อนเมื่อเราต้องแยกนะเราอย่ามักง่ายคิดว่าปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งสมาธิก่อนก็ถูกเหมือนกันแต่ต้องเป็นสมาธิชนิดที่ถูกต้องถ้านั่งสมาธิผิดประเภทมันไม่เดินปัญญาไม่จเจริญปัญญาจะนิ่งไมปเฉยๆงั้นพวกเราถ้าอยากได้ดีในชีวิตนี้นะามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ให้จิตของเราเป็นพุโทโธให้ได้ครูบาอาจารย์สอนนะสอนว่าพุโทโธพุโทโธถามว่าอะไรคือพุโทโธจิตนั่นแหละคือพุโทโธพุโทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตของเรานั่นแหละเพราะฉะั้นเบื้องต้นเราต้องหาจิตให้เจอก่อนให้จิตของเราอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตตั้งมั่นวิธีฝึกก็อย่างที่บอกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิต ไม่ใช่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วน้อมจิตให้นิ่งอยู่กับอารมณนะ์สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะสมาธิสองอย่างอย่างแรกนั้นน้อมจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นเลยจะได้สมาธิชนิดสงบอีกอย่างหนึ่งทำกรรมฐานสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วล ร, รู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปเพ่งรู้ทันหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันจะิตไปเพ่งรู้ทัน ดูท้องพองยุจิตหนีไปเพ่งรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันก็รู้ทันอย่างนี้เดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างเดินจงกรมแล้วเราไปกําหนดอยู่ที่เท้าเนียกเท้าย like like the ่างเท้าอะไรรู down, ้หมดเลยนะจิตอยู่ที่เท้าจิตแนบอยู่ที่เท้าเป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเราเดินจงกรมอยู่นะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปอยู่ที่เท้ารู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้ทันนั่นแหละเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันเคลื่อนไปเพ่งก็รู้ทันเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมา เมื่อได้จิตผู้รู้แล้วอย่ารู้อยู่เฉยๆเนะมื่อได้จิตผู้รู้แล้วต้องพัฒนาต่อไปสู่การเจริญปัญญาจิตผู้รู้เป็นแค่เครื่องมือของการเจริญปัญญาเป็นจุดตั้งต้นสำหรับการเจริญปัญญาครูบาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อเทียนถึงบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติ ก็คือหลักเดียวกับที่หลวงพ่อบอกนี่แหละนะพุโทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันหายใจจิตหนีไปคิดเรารู้ทั น, ท, นทันทีที่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตชนิดนี้แหละทรงสมาธิที่ถูกต้องล้วเพราะฉะั้นมันจะมีสภาวะแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวคนในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวคนในโลกนี้หลงตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้ เป็นปุ๊บก็บคิดเลยนะแล้วก็ไปเพลิดเพลินอยู่ในโลกของความคิดหรือไปเศร้าหมองไปเครียดอยู่ในโลกของความคิดไปสุขไปทุกข์อยู่ในโลกของความคิดคนในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวพระอิยาบุคคลถึงหายากเพราะว่าถ้าไม่รู้สึกตัวจเจริญปัญญาไม่ได้ถ้ารู้สึกตัวนี่แหละเป็นต้นทางของการจเจริญปัญญาเวลาต้องรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจไวนะ้จิตที่ตั้งมั่นถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อไหรนะ เรามีร่างกายเราก็จะรู้สึกถึงร่างกายเรามีจิตใจเราก็จะรู้สึกถึงจิตใจในขณะที่คนในโลกนี้ลืมตัวเองมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมไม่เคยรู้สึกถึงกายถึงใจของตัวเองเลยหลงตลาดเวลางั้นคนพวกนี้ไม่มีวันบรรู้มารผลนิพพานเพระนั้นเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะโดยการรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปอย่าไปบังคับมันห้ามเคลื่อนอย่าไปห้ามมันนะถ้าห้ามเมื่อไหร่จะเครียด ถ้าเครียดเมื่อไหร่สมาธิแท้ๆไม่เกิดงั้นให้รู้ไปอย่างสบายพุโทโธจิตไหลไปแล้วรู้หายใจไปจิตไหลไปแล้วรู้ดูท้องฟองยบจิตไหลไปแล้วรู้นะให้รู้บ่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจุดนี้แหละเป็นจุดแตกหักจุดที่หนึ่งว่าจะชาตินี้จะได้มรรคได้ผลหรือเปล่าถ้าไม่มีสมาธิชนิดนี้ยังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพานเพราะเจริญปัญญาไม่ได้นะเจริญปัญญาได้ถึงจะได้มรรคได้ผล จเจริญปัญญาไม่ได้คือทำวิปัสนาไม่ได้มรรคผลไม่มีทางเกิดเลยไม่มีวันเห็นพระนิพพานหลวงพ่อใช้คําว่ามรรคผลให้เกิดนะแต่นิพพานไม่มีเกิดมีดับนะนิพพานมีอยู่แล้วเราไปแค่ไปเห็นไปประจักษ์ไปแจ้งเท่านั้นเองนี่พอจิตใจของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ถึงขั้นที่2คือขั้นน้อมจิตใจซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้ให้เกิดปัญญา เราจะใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปรู้กายไปรู้ใจของตัวเองอย่าไปดูกายดูใจคนอื่นให้ดูของตัวเองวิธีการมันไม่ยากอะไรถ้าใจของเราตั้งมั่นให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงจิตใจได้ถ้าเมื่อไหร่จิตใจเราไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเราจะลืมกายเราจะลืมใจของตนเอง วิปัสสนากรรมฐานนะั่นคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเราลืมกายลืมใจเสียแล้วเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงคือไตรลักษณ์ของกายของใจได้นะเพราะฉะั้นเราต้องรู้สึกตัวให้ได้นะจิต ท, ที่ทรงสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเราจะรู้สึกตัวนะถ้าฝึกให้ชำนาญนะมันจะรู้สึกทั้งวันรู้สึกทั้งคืนรู้สึกทั้งหลับทั้งตื่นรู้สึกหมดเลยนะนอนหลับอยู่เนี่ยจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่อรู้สึกหมดเลย ฝันดีฝันร้ายแล้วเกิดความรู้สึกเช่นฝันน่ากลัวเห็นผู้ร้ายมาใจกลัวเนี้ยสติระลึกปั๊บเลยรู้ทันความกลัวที่เกิดขึ้นเลยขาดสะบั้นตรงนั้นเลยแล้วเราต้องฝึกให้มากให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานให้ได้นะหลวงพ่อตั้งแต่หัดกรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อมุ่งมาตรงนี้นะมุ่งตรงที่ว่ามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานสมัยก่อนไปเจอครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิม หลวงปู่สิมอยู่ถ้ำผับหลองเวลาท่านเจอหลวงพ่อท่านไม่รู้จักชื่อไม่เคยบอกชื่อท่านท่านจะเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเจอหน้าที่ไหนท่านก็เรียกผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้ไม่ทําอย่างนี้อะไรเนี่ยท่านกสอนเพราะพวกเราอยากได้ดีนะเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งต้องมาฝึก จิตออกนอกเป็นแถวเลยรู้สึกไหมจิตหนีไปเราหนีออกประตูตามเขาไปแล้วสิ <laughs> ยังไม่ทันไรเลยหนีตามเขาไปแล้ว <laughs> <laughs> เห็นไหมว่าจิตมันหนีได้เนี่ย <laughs> ถ้าเรารู้ว่าจิตไหลอย่างนี้จิตจะดีดตัวตั้งขึ้นมาได้ <laughs> พอจิตตั้งมาแล้วนะงานขั้นต่อไปแยกธาตุแยกขัน <laughs> เคยได้ยินชื่อหลวงตา ม, มหาบัวไหม ตมามหาบัวบอกนั้นว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็ น, นอย่ามาอวดนะว่าเจริญปัญญาอยู่การเจริญปัญญาเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการหัดแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามนะเพราะใจของเราเป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะเรานั่งนนัยเองนีนั่งอยู่อย่างนี้เราคอยรู้สึกลงไปร่างกายที่นั่งอยู่นี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะร่างกายที่หันซ้ายหันขวาเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ร่างกายพยักหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่เก่าเก่าโน่นเก่านี่คนะันตรงโน้นคันนี้แต่นะเดิมเก่าอัตโนมัติน่ไหมอัตโนมัติคันตรงไหนก็เก่าไปด้วยเมื่อยก็ขยับไปเลยไม่เคยรู้สึกต่อไป น, นี้ก็คันเหมือนเดิมแหละแต่ว่าคันแล้วรู้สึกก่อนนะนะถ้าเก่าก็เห็นร่างกายมันเก่าอะไรเงี้ยเห็นมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู ดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูดูร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูกายกับใจเป็นโคล่านกันเราจะเห็นกายกับใจกเป็นโคล่านกันได้นะถ้าจิตเรามีสมาธิที่ถูกต้องคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าสมาธิเราไม่ถูกต้องเวลาเรารู้สึกในร่างกายนะจิตจะไหลเข้าไปที่ร่างกายเหมือนอย่างที่เรารู้สึกลมหายใจแล้วจิตจะไหลไปรวมกับลมหายใจดูท้องพองยุบแล้วจิตไปรวมอยู่ที่ท้องอันนั้นจะไม่แยกรวมแยกนนำ แต่ถ้าจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเห็นเลยร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะดูร่างกายที่เคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นคนอื่นเหมือนเราเห็นสิ่งอื่นถ้าสติปัญญาเรามากพอเราจะรู้เลยว่ารูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเคลื่อนไหวนะเนี่นยปัญญาที่แท้จริงมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขา นั้นถ้าจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงแล้วสติมันจะลึกลงไปเห็นร่างกายเป็นโคล่านกับจิตร่างกายเป็นสิ่งที่จิตจะรู้เข้ามันจะรู้สึกด้วยใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่รูปธรรมอย่างหนึ่งเป็นวัตถุธาตุกลุ่มหนึ่งเป็นรูปธรรมกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนี้พอเรานั่งไปให้นานนะอย่าเพิ่งขยับนั่งไปจนให้มันปวด มันปวดขึ้นมาเราค่อยดูไปร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่อีกส่วนหนึ่งโคลโานกันจิตที่เป็นคนรู้ความป ah, วดความเมื่อยก็ so อยู่อีกอันหนึ่งร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งนี่เราเริ่มแยกขันได้มากขึ้นล้ทีแรกเราแยกรูปขันออกไปร่างกายจิตเป็นคนดูนะต่อมาเรามีความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกายเราก็ดูลงไปอีก ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที uh ่แปลกลอมเข้ามาทีห ну. ลังจิตเป็นคนรู้คนดูความปวดความเมื่อยเลยไม่ใช่ร่างกายและความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตความปวดความเมื่อยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะนี่หัดดูลงไปนะมันจะเริ่มล้างความเห็นผิดไปทีละส่วนทีละส่วนล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมา นี้พอมันปวดมากๆเข้าไปร่างกายมันปวดมากเข้ามากเข้านะใจมันเริ่มกระสับกระสายอย่าเพิ่งรีบพลิกนะเดอยวเริ่มขยับเบื้องต้นนะมาฝึกแยกธาตุแยกขันนี่ใช้ความอดทนนิดหนึ่งนั่งให้มันปวดไปเลยนั่งแล้วปวดแล้วเข้าใครดูไม่ใช่ดูเพื่อให้หายปวดแต่ดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนี้พอปวดเมื่อยมากๆนะมันจะเกิดความทุรนทุรายขึ้นที่ใจ ความกระสับกระส่ายต่างๆเกิดขึ้นที่ใจเช่นเกิดกังวลขึ้นมาโอ้นั่งมากอย่างนี้ปวดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเป็นอมภารหรือเปล่าอะไรเนี้ยชักกังวลใจยังไม่เคยมีใครนั่งสมาธิเป็นอมภาตไม่เคยได้ยินเลยนะมีแต่ขี้เมาหรือเดินไม่มีสติหกล้มหัวตีพื้นไปเป็นอมภาตอะไรเงี้ยมีแต่นั่งสมาธิไม่เห็นมีใครเป็นอมภารแต่ใจมันจะกังวลโอ้นั่งนานไปแล้วนะพรุ่งนี้ก็จะต้องมาทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านั่นะ ไม่ได้นอนเดี๋ยวสุขภาพจะย่ําแย่โนธะ่ถ้าไปเที่ยวไปกินเหล้านะไปทั้งคืนได้นะดูบอลโลกดูอะไรดูทั้งคืนได้นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงนะรู้สึกห่วงสุขภาพเ น, น, นี่ยจิตมันทุรนทุรายขึ้นมาให้รู้ลงไปเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งความทุรนทุรายของจิตอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อีกส่วนหนึ่งความทุรนทุรายของจิตนี่เรียกว่าสังขารขัน ความปวดความเมื่อยเรียกว่าเวทนาขันตัวร่างกายเป็นรูปขันตัวจิตเป็นมิ ญ, ญานขันค่อยหัดแยกไปเรื่อยเรามาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเรียกว่าแยกขันออกมาหัดแยกขันไปเรื่อยถ้าเราแยกขันได้เราจะพบว่าขันแต่ละขันนะเช่นร่างกายนี้รูปนี้ความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายนะความจาได้หมายรู้นะความปรุงดีความปรุงชั่ว ตัวจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะพบว่าแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นเป็นสักว่าสภาวะธรรมเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะฉะั้นเรามาหัดนะแยกธาตุแยกขันไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยรูปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะสัญญาความจําได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีความพรุงชั่ววิญญาณความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวจิตนั่นเองจิตที่เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นเองล้นแต่เป็นสภาวธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาให้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเห็นวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าซ้ําลงไปอย่างเนี้ ถึงจุดหนึ่งจิตมันจะยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีจิตมันยอมรับเองนะว่าตัวเราไม่มีมันเห็นแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นเป็นแค่รูปธรรมนามธรรมเป็นแค่ขันห้าเป็นแค่อายตนะหเป็นแค่ธาตุต่างๆมารวมกันชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีตัวเราถ้าเมื่อไหร่จิตยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีก็จะเป็นพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันเนี่ยท่านล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน น, นี่เป็นจุดตั้งต้นที่เราจะได้ดวงตาเห็นธรรม ดวงตาเห็นธรรมก็คือจิตมันยอมรับความจริงจิตมันได้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีในธาตุในขันในกายในใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราในที่อื่นใดด้วยถ้าเห็นได้อย่างนี้นะเราจะเป็นผู้เชี่ยงกับการตรัสรู้ในวันหนึ่งข้างหน้าทัดจากนั้นการปฏิบัติก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละก็มีสติรู้กายรู้ใจมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดู ก็ดูกายดูใจเขาทำงานเรื่อยไปสติปัญญามจะแก่รอบเป็นลำดับลำดับไปแต่เดิมมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราสังขารคือความปรุงดีปลุงชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันก็มันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไร ภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปก็จะเห็นความจริงว่าขันทั้งหลายนั้นที่เรานึกว่าเคยเป็นตัวเราเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วมันไม่ใช่ตัวเราแล้วในความเป็นจริงแล้วมันเป็นตัวทุกข์มันคือตัวทุกข์รูปนี้เป็นตัวทุกข์เวทนาหรือความสุขทุกข์ทั้งหลายนี้เป็นตัวทุกข์สังขารสัญญานะตัววิญญาณตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์การที่เราสามารถเห็นขันท่าเป็นตัวทุกข์ได้เรียกว่าเราเริ่ม ทำลายความเห็นผิดทำลายอาวิชาได้ล้อาวิชาคือความไม่รู้ความจริงนะของทุกสมู ท, ทยัยนิโรธมักสิ่งที่เรียกว่าทุกก็คือขันห่านั่นเองแต่เดิมเราคิดว่าขันห่าที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยเป็นของดีของวิเศษแต่เมื่อเรามาภาวนามากเข้ามากเข้านะเรามีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจระลึกรู้ด้วยจิต ท, ที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิที่จิตตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะได้เห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นนะสุดท้ายมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆตรงนี้พวกเราไม่เคยเห็นที่พวกเราที่หัดภาวนากันในเบื้องต้นที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยเราจะเห็นได้แค่ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่จิตเป็นตัวเราตอนเนี้ที่ฝึกกันอยู่ตอนนี้เห็นได้แค่นี้แหละนะยงเว้นแต่ได้พระโสดาบันถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรา ตอนนี้เราสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เรานะถ้าแยกขันเป็นนะเห็นวันนี we ้เลยว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ถ้าแยกขันไม่เป็นนะมันรวมเป็นก้อนเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นเราแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราก็เป็นพระโสดาบันแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นความจริงกายนี้เป็นทุกข์ล้วนพวกเรายังไม่เห็นพวกเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใช่ไหมเห็นไหมว่าจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยเรายังยังไม่ใช่ พระอนาคาไม่ใช่พระอรหันต์พระอนาคาเนี้ท่านแจ้งเลยว่ากายนี้ทุกข์ล้วนลวนพระอรหันต์นี้ท่านแจ้งเลยว่าจิตนี้ทุกข์ล้วนลวนเมื่อกายเป็นทุกข์ล้วนล้นท่านจะไม่ยึดถือกายเมื่อไม่ยึดถือกายนะความยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเลยเนี้ยไม่มีในสัมผัส potrzeb, ไม่มีนะไม่ลกลางกรรมและปฏิฆาได้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีถ้าเห็นได้ว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆวนจะหมดความยึดถือจิตจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีก จิตนี้เป็นขออาศจรย์นะถ้าเมื่อไร่เราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเราจะไม่เห็นว่าสิ่งใดในโลกนี้เป็นเราถ้าเมื่อไร่เห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์เราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตัวทุกข์ด้วยถ้าเมื่อไร่ไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกด้วยนะงั้นความแตกหักมันมาอยู่ที่จิตนี้เองอย่างเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยปุถุชนก็เห็นแต่ถ้าเห็นจิตไม่ใช่เราอย่างทองแท้นะไม่ใช่ปุถุชนอีกต่อไปแล้วมันเปลี่ยนคุณภาพเลย นะถ้าเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างก็ยังเป็นอย่างพวกเรานี่นะหรือได้แค่โสดาสกตาคาถ้าถึงพระนาคาเนี่ยท่านจะแจ้งในกายนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆท่านไม่หยุดกายะนะถ้าสุดขีดน่่นจะเห็นในจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะถ้าอย่างนี้ท่านจะสลัดคืนจิตให้โลกนะบางองค์มีสาวเอฟเฟกต์ที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังมีฟ้าผ่าแผ่นดินไหวมี เทวดาอนุโมทนาสาทุกการโลกธาตุหวั่นไหวอะไรงี้นี่มีซาวเอฟเฟกนะบางท่านท่านก็ไม่มีขาดไปเฉยๆนะเพราะเราขาดพ้นออกมาได้นะด้วยการที่เราล้างความเห็นผิดในรูปนามในกายในใจของเรานี้แหละล้างความเห็นผิดได้ก็ต้องเจริญปัญญาให้เกิดความเห็นถูกเกิดความรู้ ถ, ถูกเข้าใจถูกเขล้างความเห็นผิดได้ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตนก็เป็นท่าโซดาบันนะ ล้างความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างากะได้ภูมิธรรมที่สูงขึ้นล้างความเห็นผิดที่ว่าเห็นว่าจิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างกะได้สุดขีดของการปฏิบัติอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อสุดขีดของการปฏิบัตินเราจะรู้เลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่หลวงปู่เทศสอนหลวงพ่อมาอย่างนี้นะครูบาอาจารย์สอนมาให้มาเล่าต่อให้ฟัง นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นได้อย่างนี้ใจเราก็ครองธรรมะอยู่นะจิตจะทรงธรรมนะคือทรงถึงพระนิพพานได้สัมผัสพระนิพพานได้เต็มชั้นเต็มภูมิจนะมีความสุขที่มหาศาลซึ่งไม่เคยมีที่ใดเหมือนเป็นความสุขจากอิสรภาพ นั้นถ้าภาวนาสุดนะจิตนะจิตจะเป็นอิสระเป็นความสุขที่เกิดจากความไม่ยึดถือสิ่งใดนะเป็นอิสระอย่างแท้จริงพวกเรามีโอกาสที่จะสัมผัสความสุขชนิดนี้ถ้าเรารู้วิธีเบื้องต้นสรุปนะเบื้องต้นถือศีลห้าไว้ก่อนขั้นที่สองฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะจะมีสมาธิที่ถูกต้องเวลาจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปทำนองน่นี่รู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา อมีสมาธิถูกต้องแล้วเจริญปัญญาด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์กายส่วนกายจิตส่วนจิตนะฝึกไปเวทนาส่วนเวทนาสัญญาส่วนสัญญาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตไม่หัดไปแล้วสุดท้ายมันจะเห็นในทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนะกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเกิดแล้วก็ดับ ความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิต ท, ที่เกิดทางตาเกิดแล้วก็ดับจิต ท, ที่เกิดทางหูก็ดับจิต ท, ที่เกิดทางใจเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนถาวรตัวนี้แหละที่ได้พระโสดาบันได้ดวงตาเห็นทำนะที่เหลือค่อยไปฝึกต่อเอาชาตินี้เอาโสดาให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะอย่าลบมากเลยเอาโสดาก่อนถ้าได้แล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปนะ ถ้าเรียนธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปขั้นสุดท้ายหลวงปู่ดูลท่านสอนหลวงพ่อมานะให้ทำลายตัวผู้รู้นะคือไม่ไม่ยึดถือจิตนั่นเองถ้ายัางยึดถือจิตอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกจิตเนี่ยเหมือนเมล็ดผลไม้นะเหมือนเม็ดมะม่วงเงี้ยเรามีเมล็ดมะม่วงอยู่เมล็ดเดียวนะเอาไปเพาะเข้ามาเกิดต้นมะม่วงทั้งต้นเลยเรามีจิตที่มีเชื้อเกิดคือมีอวิชามีต้นอ่อนของมะม่วงอยู่ในจิตเราเนี่ยมีอวิชาอยูน มันงอกขันห้าขึ้นมาได้ใหม่ทั้งหมดเลยมีอย่างลงในภพต่างๆแล้วกงอกขันขึ้นมาอีกเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิก เ, เพราะความโง่เพราะอาวิชชาที่แฝงอยู่ในจิตนองต้องทำลายเชื้อเกิดทําลายอวิชชาคือความเห็นผิดน น, นะะความเห็นผิดในเบื้องต้นเห็นผิดว่ามีตัวเราเห็นผิดในเบื้องปลายคืเห็นว่ามันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจริงมันทุกข์ล้นๆเลยนะค่อยฝึกไปอนะเท่านี้ก็พอนะเรียนมากก็เหนื่อย มีใครจะถามมีไหมไม่มีเราจะได้กลับละมานั่งตรงนี้ได้ไหมหลวงพ่อเนี่ยนะคอเป็นอนัตตาถ้าหันที่เดียวนานๆแล้วมันไม่ยอมหันกลับะมาพากันมานั่งใกล้ๆกันเลยมะมสิบสองคนที่ลงทะเบียนไว้ น้ำสการครับหลวงพ่อขอถวายการปฏิบัติเป็นพุธทธบูชา<ม>ธรร ม, มบู <ขา S 2> ชาสังฆบูชาอาชาบูชาครับปฏ<ๆ>ิบัษษๆๆติษษษตานที่หลวงพ่อสอนมา4ปีก็ยังไม่เคยส่งกันบ้านนะครับก็ครั้งแรกแล้วก็ทุกวันนี้ปฏิบัติก็คือตอนเช้าตื่นมาสวดมนต์ไหว้พระพยายามดูในชีวิตประจําวันบ้างเท่าที่ดูได้ครับเดือนหนึ่งก็จะพยายามไปที่วัดไม่ทราบว่า มีอะไรเพิ่มเติมไหครับจิตต้องถึงฐานจิตต้องตั้งมั่นจริงๆนะถ้าจิตมันสงบมันรู้เนื้อรู้ตัวขันแยกแต่ว่าจิตกระใจถ้าจิตกระายออกน่องจิตไม่ตั้งมั่นสมาธิไม่พอให้รู้ทันจิตที่กระใจออกนอกถ้ารู้ทันจิตที่กระใจออกนอกแล้วจิตจะเข้าฐานจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วก็ขันมันก็แยกออกไปทางาน แต่พอจิตเข้าฐานล้าก็ไม่ประคองจิตนะเดี๋ยวก็จะเห็นเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดก็เดินปัญญาไปเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปแต่ถ้าจิตกระจายออกนอกจะมีแต่วความสุขจะเพลินสบายใจค่ะเดิมทีโยมฝึกแบบสมถะมาค่ะเพิ่งฝึกดูจิตได้ประมาณสองเดือนกว่าดูจิตถ้าดูไม่เป็นนะ<ม>ก็เป็นสมถะนะ ถ้าเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับของจิตถึงจยเป็นวิปัสนาดูกายนะถ้าดูไม่เป็นก็เป็นสมถะอีกนะงั้นถ้าดูเป็นนะดูกายก็เป็นวิปัสนาได้ดูจิตก็เป็นวิปัสนาได้อยู่ที่เราเห็นไตรลักษณ์ไหมนะแล้วไงอีกค่ะตอนฝึกดูแรกๆเนี่ยจะรู้สึกแน่นๆ น, น, นะคะแน่นเพราะจงใจดูค่ะเสร็จแล้วพอพักหลังก็พยายามปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอื ก็รู้สึกเบาขึ้นนะคะเออนะแต่การปล่อยก็ต้องมีเทคนิคนะไม่ปล่อยหมดเรียกว่าปล่อยปล่อยจับจับถ้าปล่อยหมดนะเดี๋ยวสติแตกหนีไปเลยหลงนานงั้นเบื้องต้นเนี่ยจงใจนิดนิดจงใจนิดหน่อยมันจะตึงนิดนิดอย่าให้ตึงมากถ้าจะเอาพอดีให้โปร่งโล่งเบามันมักจะหลงยาวอย่าให้มันหลงยาวนะพยักหน้าเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหว จะไปยักหน้าไปคิดไปแล้นก็พยักไปแลนะใจหนีไปคิดเนี่ยเราไม่เห็นกายไม่เห็นจิตนะจิตหนีไปคิดหรื อ, อยังขณะนี้<ฆ>นะจิตหนีไปคิดให้รู้ทันท่านนี้แหลนะหนีไปคิดอีกหรื อ, อยังเ<ฆ>นเะนี่ยรู้อย่างนี้เรื่อยนะจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีแล้ว ร, รู้เราจะได้สมาธิถ้าจิตต้องตั้งมั่นพอนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมันจะอ่อนอ่อนระทวดระทวยอยู่ภายในนะ ไม่มีแรงงั้นของหนูเนี่ยไปคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดนะงั้นหนูจะได้สมาธิที่แรงขึ้นไปฝึกตัวนี้ให้ชำนาญแล้วค่อยแยกขันขต่อไปนมันสกัดหลวงพ่อคะ่ะเพิ่งมีโอกาสได้ส่งกันบ้านคะ่ะคือปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อในช่วงแรกๆก็ตามดูไปเรื่อยๆก็ มีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีความเสียใจเกิดขึ้นแล้วก็ได้เห็นความเศร้าค่ะแล้วก็พอเห็นความเศร้าสักพักก็เห็นว่าเออความเศร้ามาจากความคิดอีกทีนึงใช่แล้วมันก็ความเศร้าก็มาจากความคิดนะความโกรธความโลภความหลงอะไรตามหลังความคิดมาความเศร้าก็เป็นความโกรธชนิดหนึ่งเป็นตระกูลโทสะนะเราคิดไปก่อนคิดไปในทางพยาบาทพิตกเศร้าโกรธอะไรอย่างเงี้ คิดไปในทางรักใคร่เพลิดเพลินเนี่ยกรรมวิตกนราคะก็เกิดนะมันหลงไปในความคิดนั้นเท่านที่หนูรู้ทันจิตหลงไปคิดจิตดีดตัวออกมาแล้วมันก็ไม่ปลูงต่อกิเลสหยาบมันก็ไม่เกิดแต่ว่าอย่าไปห้ามจิตนี่บางคนเห็นว่าพอจิตคิดแล้วทําให้เกิดกิเลสเพราะงั้นต้องฝึกให้จิตไม่คิดไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจิตท่านคิดนะท่านก็คิดปกติแหละ แต่ว่าสติปัญญามันทํางานอัตโนมัติขึ้นมาของเรากิเลสมันจะทํางานอัตโนมัติรู้สึกไหมไม่ได้ตั้งใจจะโกรธมันก็โกรธนะไม่ได้ตั้งใจจะเศร้ามันก็เศร้าได้ดะงนั้นที่เราเห็นอย่างนั้นน่าเห็นถูกเราล่ละเราไงอีกแล้วก็บางทีก็เห็นความโกรธแล้วก็มันก็ดับลงไปค่นะเห็นความโกรธแล้วก็ดับลงไป อ, อย่าไปดับมันนะก็เห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับดูแค่นั้น แล้วก็ช่วงนั้นก็มีตามดูกายบ้างค่ะระหว่างวันอแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็กําลังอา บ, อาบน้ําสระผมอยู่ค่ะนี่ก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะทำไมจู่ๆกับเหมือนแคนเราตัวเราเนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวเราเออไม่ใช่เราแล้วเนี่ยเบื้องต้นจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราก่อนต่อไปก็เห็นว่าจิตไม่ใช่เราแล้วเมื่อไใ่ยอมรับได้ว่าจิตไม่ใช่เราก็ได้ธรรมะแต่ตอนนั้นยังไม่ทราบเตอนนั้นก็กลัวอย่างเดียวค่ะก็คือเอ๊ะ ตอนนั้นก็ไม่ทราบตอนนั้นกลัวอย่างเดียวก็ไอ้ตัวอะไรเป็นตัวอะไรเนโอ้มันกลัวอะไรตัวตัวเราหายไปมันรักตัวเองมันห่วงแผ่นที่สุดเลยให้รู้ทันแหละที่ฝึกอยู่ก็ดีนะมีโอกาสก็ต้องทำในรูปแบบด้วยนะค่ะจะไม่มีแรแล้วน้อยแล้วใจันจะฟุ้งใช่ค่ะช่วงนี้ฟุ้งมากดูจะไม่มีแรงค่ะต่อไปกับน้ำสกัมาตัวนี้ได้ไห พ่อคอเครดไปแล้วกลับน้น้ำสการหลวงพ่อครับอือก็ฟังซีดีก็ลองปฏิบัติมาก็สักระยะหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ที่ที่รู้ก็คือจะจะเห็นไปคิดแล้วก็เวลามีอารมณ์แรงแรงเวลาทำงานเวลามีอารมณ์โกรธเนี่ยจะดดัดจะนั่นนี่มาเห็นไหมว่ากายกับจิตเป็นโคราน ย, ยังไม่เคยันใจเห็นตัวนี้ไหมว่าความโกรธกับจิตเป็นโคลอนกันเห็นได้อย่างนี้ขันมันแยกละความโกรธกับจิตมนโคละขันกันถ้าแยกขันได้เนี่ยเราเริ่มเดินปัญญาได้แท้จริงละสังเกตไหมจิตมันไม่เหมือนแต่ก่อนถ้าแยกขันได้นะจิตดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ต่างหากนะ เห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นสุขเห็นทุกข์จิตเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลจิตเป็นคนดูมันเห็นเองนะทำให้มากๆนะทําไปสม่ําเสมอทําถูกแล้วก็ที่ยังสงสัยก็คือปกติจะรู้เวลาถ้าคิดอะไรไม่ออกดีก็มาดูลมหายใ จ, จใช่ั้ถ้าดูา<ะ>จิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมถะิีริงๆจะมีปัญหาในเรื่องการทําในรูปแบบมันคือเวลาไปเดินบางทีเกียนหรือเปล่า ขี่เกียจด้วยครับน้าน่าปัญหาใหญ่นะนั่นปัญหาใหญ่ก็คือบางทีเวลาเดินเนี่ยก็บางทีจะไปรู้ในเรื่องของลมหายใจได้มากกว่าดูจรนั่นแหละเห็นไปร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูช่วยมันคิดอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับทั้งที่บางทีขนาดเคลื่อนไหวขนาเดินแต่ก็มารู้ที่ลมง่ายกว่าดูไปร่างกายที่หายใจอย่าให้จิตไปเกาะที่ลมนะดูมันทั้งตัวดูรู้สึกตัวทั่วพร้อมไป นะถ้าจิตไปอยู่ที่ลมไม่มีอะไรเป็นสมถะนิ่งๆไปอย่างนี้เป็นสมถะเนะนื้อออกไหมจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมนะอย่าให้จิตไหลเข้าไปรวมกับลมนะให้เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูฝึกนี้จิตจะได้ตั้งมั่นก็หลวงพ่อมีอะไรแนะนำวะครับมี่แนะนะ <laughs> แล้วนะ <laughs> <laughs> ไม่แน่ใจเรงวิธีการก็คือก็ทาในรูปแบบ นะ mm hmm. แล้วเวลาทำในรูปแบบเนียอย่าน้อมจิตให้ไปรวมกับลมหายใจ mm hmm. ให้เห็นในร่างกายมันหายใจเราเป็นคนดูเหมือนเราเห็นคนอื่นหายใจตั้งอย่างนั้นนะ mm hmm. มันถึงจะค่อยๆถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ mm hmm. ที่ฝึกอยู่ใช่ได้ขอบพระคุณ mm hmm. สมาธิอ่อนไปเพราะว่าขี้เกียจน mm hmm. มันสการค่ะท่านหนูก็ฝึกมาบ้างอะคะ่ะแล้วก็ mm hmm. ที่เห็นหเยอะ กลัวไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นรู้นะตื่นเต้นให้รู้ค่ะคือส่วนใหญ่เราจะเห็นความอยากของตัวเองอะค่ะที่เห็นบ่อยๆแล้วก็เป็นความที่มันไม่สะอาดในใจที่มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆให้รู้เฉยๆอย่าไปว่ามันนะเวลาที่เห็นความอยากเนี่ยมันจะดีใจว่าเอ้ยเราเห็นอะไรบางอย่างแต่เวลาให้ดีใจไปดีใจแล้วรู้ทันอีกค่ะหนูไปดูความอยากไว้ก็ได้ ทังวันเนี่ยจิตมีสองชนิดคือจิตที่อยากกับจิตที่ไม่อยากค่อยดูไปเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ความอยากก็หายไปเดี๋ยวก็อยากอีกเดี๋ยวความอยากก็หายไปนะค่อยรู้บ่อยๆเรียกว่า <ไร S 2> ทําจิตต า, า, านุปัสสนาอย่างที่พระเจ้าสอนดุขรพิสูทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคะตัวอยากก็ตัวราคาหนูก็ ดูทางจิตได้ใช่ไหมคะหรือว่าควรจะดูกายกายเขต้องดูนะเรารักสวยรักงามมาก <c oughs> ต้องดูกายด้วยเพราะว่าเวลาที่อยู่ใกล้ๆ ล, ลูกเนี้ยคะ่ะมันมันมีความรู้สึกรักแต่ว่ามันเป็นความรักที่มันมันแน่นๆไงโอ้มาลัก <c oughs> แบบเป็นเจ้าของ <c oughs> นะถ้ารัก <c oughs> บริสุทธิ์นะรักมันจะเปลี่ยนเป็นเมตตาเมตตาไม่แน่นอะ แต่รักที่เป็นโลภะเป็นราคาาะเนี่ยจะแน่นะเอาลูกทกํากรรมฐานนั่นแหละวันนี้ลูกน่ารักรู้สึกรักวันนี้ลูกดือ้อรูโมโหรู้ว่าโมโห ว, วันนี้ลูกป่วยกังวลรู้ว่ากังวลดูอย่างนี้ก็ได้แล้วอย่าลืมดูไกลยด้วยนะต้องดูไกลด้วยโน้ตทำในรูปแบบนี้ยก็คือดูลมหายใจเข้าออกแต่เหมันมัน มันดูไม่ได้จริงๆคือมันเหมือนมันจะเข้าไปอยู่ในลมเอออย่า ใ, ให้เข้าไปถ้างั้นเรามารู้อิริยาบถนะอย่าไปรวมไว้ที่ลมเนี่ยร่างกายขยับขยับขยับเลยเนี่ยคอยรู้สึกไปได้อยู่บ้านกวาดบ้านบ้างไหมไมเยนะหา ง, งานบ้านทําบ้างดีที่สุดเลยพวกเรานั้นบางคนทิ้งอารมณ์กรรมฐานอะไรจ้างเขาทําหมดเลย <c oughs> ไม่ได้กระดุกกระดิก <c oughs> คนโบราณ น, นะหลวงพอ่อคนโบราณ ก่อนสมัยหาดภาวนาตอนนั้นยังเป็นโยมซักผ้านะใช้มือนะซักเนี่ยโอ้โหได้เจริญสติเวลาซักผ้าหน้าหนาวรู้สึกไงสดชื่นไหมนะอยู่แตน้ําเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเนี่ยเราเคลื่อนไหวรู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเดี๋ยวนี้ใส่เครื่องซักผ้าให่ไหมเอาเวลาที่เหลือไปหลงละไม่ได้รู้สึกเลยจะไปรู้สึกว่าเครื่องซักผ้าหมุนไปหมุนมามันก็ถูกพิลึกออกนอก แนะนำอีกไหมคะหนูเคลื่อนไปแล้ว ร, รู้สึกตัวไว้นะแล้วก็รู้ทันจิตไปอยู่กับลูกเนี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนไปเรืเร่อยๆ ใ, ให้รู้ทันนะเท่านั้นก็พอละเป็นฆราวาสขนาด น, นี้ก็ดีถมไปแล้วละนภาส ก, การเจ้าค่ะช่วงหลังนี้ลูกหย่อนยานในเรื่องของการฝึกในรูปแบบนะเจ้า<ม>ค่ะคือไม่ค่อยฝึกในรูปแบบเท่าไหร่<ม>แต่ก็ พยายามมีสติที่จะรู้ในการเวลาเคลื่อนไหวก็พยายามปฏิบัติตรงนี้ไปถ้าเรานะนึกถึงการเคลื่อนไหวอยู่ทั้งวันนะก็คือการทำในรูปแบบนะหลวงพ่อแต่ก่อนชอบนั่งนะไม่ถนัดเดินเพราะว่าไม่ถนัดเดินเมื่อก่อนบ้านเป็นไม้เวลาเดินที น, น, น, นันดังเยี้ยนๆน้านันเดินดึกๆน่ากลัวผีออก็นั่ง นั่งแล้วถ้ามันจะหลับนั่งก็นั่งเคลื่อนไหวนั่งเคลื่อนไหวขยับอย่างหลวงพ่ะเทียนถ้าเยอะไปทั้งสิบสี่จังหวะเยอะไปเเคลื่อนไหวนิดหน่อยแขนัน้นี้ก็ยังใช้ได้ขยับไปยังรู้สึกไปขยับไปรู้สึกไปมันจะเป็นการปฏิบัติในรูปแบบอยู่แล้วอย่างกรณีที่ถ้านั่งสมาธิที่ให้ให้ได้ผลที่ไม่หลงไปอย่างลูกจะขออนุญาตปฏิบัติแล้ว หลวงพ่อช่วยกรุณาแนะนําได้ไหเจ้าค่ะอลองว่ามารการนั่งสมาธินะอย่าทําผิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นทันทีที่คิดถึงการนั่งสมาธิเราก็ไปเก็บจิตเข้ามาไปรวบจิตเข้ามานะมันไปน้อมจิตเข้ามาเาแ ล, ออแล้ออกมาได้ละออกมาได้ละถ้านั่งนั่งสมาธิเนี่ยนะขณะนี้พวกเรานั่งอยู่เปล่านั่งไปแล้วตอนนี้หายใจอยู่เปล่า เห็นไหมร่างกายมันหายใจไม่ต้องหลับตาลองไปนั่งสมาธิไม่หลับตาดูบ้างเพราะหลับตาเมื่อไหร่จิตจะหลับไปด้วยนั่งรู้สึกตัวนะหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปพระพุทธเจ้าสอนการนั่งสมาธินะท่านบอกดูก ร, ราภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันหลังคูบันลังคือนั่งขัดสมาธิทําไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะพระไม่มีเก้าอี้จะนั่งนะเราะฉะนั้นถ้าบาคนไหนนั่ง ขาดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้อย่อย่านั่งให้สบายเดี๋ยวหลับให้คูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวเราทาเกินที่พระเจ้าสอนท่านให้คูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าคือรู้ปัจจุบันไปเลยของเราไม่ยอมรู้ปัจจุบันทันทีที่คิดถึงการนั่งสมาธินั่นะเราจะไปน้อมจิตให้ซึมก่อน กิริยาท่าทางเราก็ต้องนิ่งให้ดูสํารวมดูดีจิตเราก็ต้องซึมให้ได้ที่อซึมไปแล้วบอกว่ามีสมาธิดีทั้งจริงติดโมหะซึมแล้วมีโมหะแทรกนะเพราะงั้นเราไม่ทําเกินที่พระเจ้าสอนพวกเรานั่งอยู่แล้วใช่ไหมมีสติอยู่เฉพาะหน้าหมายถึงว่าร่างกายมันหายใจอยู่รู้ว่ามันหายใจแค่นั้นเองแค่รู้ อย่าไปดัดแปลงจิตพวกที่นั่งสมาธิแล้ผิดพลาดเนี่ยอยู่ที่เริ่มต้นปุ๊บดัดแปลงจิตปั๊บเลยแล้วดัดแปลงทีไรก็จะดัดแปลงให้นิ่งให้ซึมทุกทีเลยโมหะแทรกทุกทีเลยนะเพราะฉะนั้นให้รู้อย่างที่เขาเป็นนะไปไปนั่งใหม่นะอย่านั่งให้ซึมนะซึมไม่ดีเป็นชื่อของส้วมอ้าวต่อไปหลายปีที่ผ่านมาหลวงพออ่อผมก็ฝึกดูจิต แต่ว่าหลายปีที่ผ่านมารู้สึกว่าพอดูจิตแล้วเนี่ยก็จะไปติดอยู่กับความสึกกังวลอก็เลยเลิกอกังวลดูจิตก็เลยมาดูกายแทนเอได้เดินเดินจงกรมเป็นหลักตอนนี้ดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้ก็ดูกายก็จะเห็นกายเคลื่อนไหวก็บางครั้งก็มีเห็นอารมณ์หรือความคิดเข้ามาแทรกเปนช่วงๆแล้วก็ทํางนั้นมาตลอดอก็ระหว่างวันก็รู้รู้ลมหายใจ แล้วหลายๆครั้งเวลากังวลหรือว่าคิดกังวลเรื่องอะไรก็กลับมาดูกายแล้วหลายๆครั้งก็รู้รสึกสาสบายใจสบายใจเวลาเรากังวลเราห น, นีมาดูกายนะเราทําสมถะเป็นการหลบอารมณ์ละนะงั้นถ้ามันสู้ไม่ไหวจริงก็ถอยมาทําสมถะไม่เป็นไรแต่อยถอยจนเคยชินนะเวลาเราทําสงครามค่าสึกมันแข็งแรงมากเลยศัรตรูเราแข็งแรงมาก สู้ย่างไม่ได้เราถอยก่อนแต่ถอยมาตั้งหลักวันนึงต้องกลับไปสู้กับมันนะถอยตลอดไม่ได้นะงั้นดูจิตไปแล้วมันกังวลมากนะทุรนทุรายแล้วไม่ไหวแล้วจงใจมาดูกายได้ความสงบได้สมถะพอมีแรงแล้วนะก็ไปรู้ทันสภาวะทางจิตใจต่ออีกใจจะได้เข้มแข็งนี้ตลอดไม่ได้นะต้องสู้แล้วปกติทุกวันเนี่ยผมจะเดินเป็นหลักชอบเดินเดินจงกรมอดิดี ก็จะรู้กายแล้วก็รู้จิตเท่าที่รู้ได้ mm hmm. อ, อืไม่ทราบ พ, พ่อพอมีคำแนะนําอะไร mm hmm. เพิ่มเติมไหมครับลองเดินให้ดูได้ไหมเดินจงกรมไปเ ด, เดินตรงนี้อา้าวคนอื่นก็เรียนด้วยการเดินจงกรมนะเราไม่ได้เดินเอาระยะทางเพราะฉะั้นไม่ต้องรีบมากแล้วก็ไม่ได้เดินเอาเวลาเราจะเดินกี่นาที ไม่ว่าเราจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิหรือจะทำอะไรก็ตามอา้าวเลิกแล้วเหรอเดินไปสิไม่ว่าเราจะเดินจงกรมหรือจะนั่งสมาธินะเราทำให้มีสติเราฝึกสติฝึกสมาธิให้จิตตั้งมัน่นฝึกเจริญปัญญาอย่างนั่งอยู่ก็ <S <S <K> เห็นในร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เรา <K> เดินอยู่ก็เห็นตัวที่เดินไม่ใช่เราอันนี้เรียกว่าเดินปัญญานี่การที่จะเดินจงกรมให้มีสติเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายงั้นเวลาเดินไปเนี่ย จุดสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกตัวเดินไปเดินไปนะจุดแตกหักมักจะไปพลาดตอนสุดท้ายเดินไปพอสุดทางจงกลมแต่ก็จริงๆมันเริ่มผิดตั้งแต่เริ่มเดินละพอเริ่มเดินนะยมัมกจะวางฟอมกระท่งทางจงกลมหัวจงกลมเพิวางฟอม <c oughs> ขยับร่างกายได้ที่ก็ทำจิตให้ซึมแล้วก็เดินไปเดินไปนะก็ซึมตลอดทางเลยไม่ผิดตั้งแต่จุดที่หนึ่ง งั้นเวลาเราจะเดินจูกลมหรือเราจะนั่งสมาธิรู้สึกตัวธรรมดานี่เอง central. แล้วเดินไปสบายๆพอเดินไปสุดทางจูกลมนะอย่าเพิ่งหันกลับหันกลับปุ๊บเนี่ยจิตจะกระเด็นตกทางจูกลมไปเลยจิตจะกระโดดหนีไปมันถูกเบี่ยงออกไปเดินไปสุดทางแล้วก็รู้สึกตัวก่อนเราก็หมุนตัวกลับมาไม่ช้าไม่เร็วเกินไปหมุนตัวกลับมาแล้วก็อย่าเพิ่งเดินนะยืนนิดหนึง่งรู้สึกตัวให้สบายก็เราก็เดินไป ถ้าเดินแล้วใจลอยก็อย่อยาเพิ่งเดินหยุดเดินรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินต่อนะมุ่งเอาความรู้สึกตัวไว้นะใจจะค่อยๆมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปเนี่ยขยับตัวคลิกเดียวไม่ได้เจตนาเลยมันรู้สึกตัวเลยเราจะฝึกไปให้ได้ความรู้สึกตัวว่าจิตมันรู้สึกตัวดีแล้วก็ค่อยดูไปร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่นั่งไม่ใช่เรานะค่อยเดินตัญญาต่อนะฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวสะ ก, ก่อน อ่ะต่อไปหมดหรือยังบาส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะรู้เคยเฝึกดูจิตมาบ้างแต่จะ่อย่างระยะหลังนี้ก็อ่อนการปฏิบัติไปเยอะค่ะก่อนหน้านี้ฝึกดูจิตจะเน้นัูที่ตัวอัตตาแล้วก็พบว่ า, ามีอัตตาตัวห ย, ยาบๆเยอะจนกระทั่งดูไปพบว่ า, เ, าเห็นอัตตาตัวห ย, ยาบมัน มันลดลงไปมากแตเห็นอาการตัวละเอียดมากขึ้นอ่านใหม่ๆแล้วเห็นตัวหยาบนะ<ฮ>พอสติปัญญาแก่รอบขึ้นนก็เห็นกิเลสที่ละเอียดละเอียดขึ้นค่ะดีแล้วล่ะหลังจากนั้นลูกก็ไปฝึกเดินจงกรมแบบยกหน้อยย่างนออยรู้สึกว่าพบว่าการเดินจงกรมแบบยกน้อยย่างนอยที่เดินแบบช้าๆมากๆแล้วโยมก็เน้นดูว่ากายเคลื่อนที่ไปอื แล้วก็ดูว่าเท้าตอนที่เท้ากระทบลงที่พื้นเนี่ยจิตมันไปอยู่ที่เท้าไหมบางครั้งก็รู้สึกว่าจะเป็นสมถะไปค่ะป็นสมถะนะ <c oughs> แล้วถ้าเราฝึกจนชินนจิตเราจะติดสมถะกระทั่งกลับมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้ <c oughs> ก็จะติดสมถะอยู่ <c oughs> มันจะนิ่งๆมันจะซึมๆได้ทั้งวันนะนะแล้วถ้าหลุดจากสมถะเมื่อไหร่เราจะขี้โมโหนะเป็นหมเป็นค่ะเป็นแน่นอน ตามสูตรเลยล่ะเมื่อไหร่เพ่งไว้มากบังคับมากนะมันจะสุดโตไปทั่งโมโหโทโสถ้าอย่างนั้นลูกควรจะเดินจงกรมเดินจงกรมจงกรมแปลว่าอะไรจงกรมแปลว่าก้าวไปก้าวไปด้วยความรู้สึกตัวทุกก้าวที่เดินไปด้วยความรู้สึกตัวที่ว่าเดินจงกรมทั้งหมดแหละทําไมเดินจงกรมต้องกลับไปกลับมารู้สึกไหมแล้วพอเราคิดถึงการเดินจงกรมทั้งเดินกลับไปกลับมาเพราะเดินทีเดียวท่านสอนพระให้เดิน หมาชีวกโกมรพัฒนะ์เสนอกับพระบอกไปไปทูลพระพุทธเจ้าว่าพวกพระเนี่ยท้องอืดท้องเฟอ้อมากพนั่งสมาธิเยอะต้องเอ็กซอร์ซายวิธีเอ็กซอร์ซายก็เดินนี่เป็นพระใช่ไหมเดินไปเรื่อยๆออกนอกวัดสิท่านเลยต้องเดินกลับไปกลับมาก็แค่นั้นเองอะ่ะมันก็คือเดินด้วยการรู้สึกตัวนั่นแหละแต่ต้องกลับไปกลับมาไม่งั้นมันหลุดออกนอกวัดไป งั้าพยายามรู้สึกตัวแล้วก็เดินเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะอย่าให้จิตไปรวมเข้าในเท้าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปพิจารณาที่เท้ากระทบใช่ไหมครับไม่ต้องเอาทําไมนะบางคนยิ่งหนักหนาสาหัสอีกไปรู้ว่าพื้นเย็ดพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งใครเห็นพื้นเป็นตัวเราบ้างก็บ้าแล้วไม่มีหรอกนะย้อนกลับมาดูไม่ไปดูของนอกนะอย่ยไปดูว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งไม่เกิดประโยชน์เลย มาดูที่ตัวเราเองจนเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะที่ฝึกอยู่พอใช้ได้ไม่ไม่เร็วซามอะไรหรอกใช้ได้เวละเพียงแต่ว่ากลัวหลวงพ่อก็วิ่งเอาไว้นะปล่อยให้จิตทางานไปตามธรรมชาตินะแล้วก็เวลาถ้าจิตมันฟุง้งซ่านมากหนูไปเดินจงกลมแบบสมถะนะทาได้นะไม่ใช่เสียหายแต่เรารู้ว่านี่เป็นสมถะสมถะก็เป็นของควรทําทําแล้ว จิตใจมีแรงแต่ทำแล้วอย่าให้ติดโมหะซึมออกมาเพราะฉะนั้นะไปเดินจงกรมไม่น้อมจิตให้ซึมเดินไปเรื่อยแล้วก็รู้สึกเดินแล้วรู้สึกจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตเพ่งรู้ทันนั้นจะได้ความรู้สึกตัวได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาออกจากสมาธิออกจากเดินจงกรมจิตก็ยังตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นเลยร่างกายเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรานะไปฝึก อ, อย่างนี้นะไปดีอยู่ใช้ได้ กับนรมส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะดูปฏิบัติในรูปแบบบ้างเจ้าค่ะช่วงนี้งานเยอะก็ เ, เลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบส่วนใหญ่จะเดินจงกรมเจ้าค่ะแล้วก็อาศัยดูระหว่างวันอตอนนี้ตื่นเต้นเจ้าค่ะใช่อย่างนั้นดีคือถ้าเราจำเป็นนะเราไม่ไหวจริงๆอะ ยังกลับบ้านก็ดึกแล้วจะไปปฏิบัติในรูปแบบนั้นก็ไปนั่งหลับคอเคล็ดไม่เดีอะเราอาศัยจเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆเลยแต่แต่ระหว่างวันความรู้สึกมันมันรู้สึกว่ามันเบาๆไม่รู้สึกใสหรือคือไม่เห็นอารมณ์ชัดเหมือนมัน<ค> น, นิ่งไหมแต่เศรค่ ะ, คะมันนิ่งๆเบาๆอยู่เปล่าถ้าอย่างนั้นมันติดสมถะติดการประคองจิตให้นิ่งการประคองจิตให้นิ่งๆอยู่เป็นสมถะนะ แล้วเราอย่าไปจงใจประคองมันมันไม่ใช่ว่ามันง่วงหรือว่าซึมทําให้ไม่เห็นอารมณ์ใชไหมไม่ใช่ช<า>ไม่ใช่มันเป็นการที่เราไปน้อมจิตให้นิง่งพอเราน้อมให้นิง่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะไม่เห็นอะไรหรอกนึก อ, ออกหรยังทับหน้าให้ดู <laughs> มันไม่มีอ่ะไม่มีอะไรรู้สึกอ่ะอยู่นิเออต้องอย่างนี้นะตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันรู้สึกเปล่า จเนี่ยตัวอย่างเนี้ยถึงจะมีของให้ดูถ้าไปงี้อยู่ทั้งวันไม่มีอะไรให้ดูหรอก <c oughs> ดีต้องอยู่อย่างนี้นะเริ่มกลับไปที่เดิมแล้วเ <c oughs> จ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอกราบนมัสการค่ะตอนนี้ลูกดูความ <c oughs> อยากความโลภต่างๆตอนนี้มีงานมากมายที่ต้องทํำ มีสิ่งต่างๆที่ต้องทำบางครั้งถูกกระตุ้นด้วยความอยากเขาข้างนอกมันเป็นลักษณะของการที่ต้องเราต้องอยากนะเราต้องทำนะเพื่อจะก้าวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในการที่เราทำสมาธิทำให้เราเนี่ยมีสติความมั่นแล้วก็มันเหมือนกับรู้สึกว่ามันจะมีสติให้ใหกดข่มความอยากตรงนั้นมันทำให้บอกว่า มันเหมือนกับว่าทำให้เราไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานโอไม่ใช่ น, น ะ, ะนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ไปลดประสิทธิภาพในการทำงานโม otive ในการทำงานไม่ได้มีแต่ความอยากนะเนี่ยอย่างสมมติว่ามันเป็นงานที่เราชอบเนี่ยงานที่เรารักนะมันมีโมท t i v e อยู่ในตัวเองหรือเรารู้ว่านี่เป็นหน้าที่ที่เราควรจะทาถ้าเราขี้เกียจขี้คลานก็เหมือนเอาเปรียบบริษัทอะไรเงี้ย เรารู้ว่านี่เป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ควรทำเราตั้งใจทำอย่าไปใช้ความอยากเป็นโมทีฟเลยแล้วก็เห็นตัวเมตตาที่มากขึ้นเออนั่นอ่ะดีทำไมพระพุทธเจ้าขยันเหลือเกินท่านไม่ได้อยากแต่ท่านมีกรุณานั่นแหละดีเห็นคนข้างนอกออรู้สึกว่าสงสารเขามากขึ้น เ, เขาดินน้นรนเขามีแต่ความทุกข์ ในเวลาขณะนี้อะไรเงี้ยทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าสงสารมากขึ้นอยากจะช่วยเขามากขึ้นอะไรเงี้ยต้องดูนะต้องดูกําลังเรามีแค่ไหนบางทีเราต้องไปช่วยคนอื่นแล้วใจเราไปไม่ไหวครูบาอาจารย์เลยสอนบอกฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกผู้อื่นบางทีอยากช่วยคนอื่นมันก็คืออยากนั่นแหละแต่มันเป็นอยากที่เปลี่ยนรูปดูดี ค่อยๆคยๆรู้ทันใจของเราไปนะอยู่กับปัจจุบันไปความเมตตาการุณามีแต่ว่ามันจะไม่ไปแบกรับภาระขึ้นมานะแต่ละคนมีครรมของเขาเองด้วยนะการที่เราอยากให้เขาปฏิบัติเนี่ยก็คือความอยากของเราแหละเขาอาจจะไม่ได้อยากปฏิบัติเลยก็ได้ถ้าเราไปเคี่ยวเข็นเขาปฏิบัติเรายิ่งทุกข์ใหญ่เลยเนาะใช่ตอนนี้เป็นลักษณะเหมือนว่าทาให ตรงนั้นมันทําให้เราเจ้าหมองไปด้วยใช่ไใช่นะไม่ดีนะบางทีคนใกล้ตัวเราเราอยากให้เขาปฏิบัติเราห่วงเราอะไรเงี้ยนะเราทําตัวของเราให้เป็นตัวอย่างก่อนวิธีการก็คือเราภาวนาของเราไปด้วยนะสอนคนใกล้ตัวเนี่ยยากที่สุดเลยนะยิ่งสอนพ่อเนี่ยยากที่หนึ่งสอนแม่ยากลองลงมานะพ่อจอะดื้อที่สุด <S 2> <S 2> <S 2> ในบ้าน เป็นไหมไม่ค่อยได้ไม่ได้เจอพ่อมาสิบกว่าปีแล้วอ๋อถ้างั้นก็แม่เป็นแบบไม่เจอพ่อก็ต้องแม่ <laughs> คือบางทีเราอยากคนใกล้ตัวเนี่ยสอนยากยิ่งผู้ใหญ่นะสอนยากเราก็จะไปสอนผู้ใหญ่เราทําให้เขาดูเรามีความสุขให้เขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นแล้วเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเขาถึงจะเชื่อว่าการปฏิบัตินั้นดีจริงๆ ถ้าเราก็ยังโมโหโทโศเราก็ยังเครียดอยู่เหมือนเดิมแล้วเราบอกว่าการภาวนาเ น, นี่ยดีดีเขาไม่เชื่อเราทําให้ดูไปแล้วถึงเวลาของเขาเขาก็เ ข, ข้าใจยังไม่ถึงเวลาเราก็ทําให้ดูไปเรื่อยๆรื่อเราก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่อยนะหมดยังไม่มีแล้วพอแล้เดี๋ยวหลวงพ่อจะไปล้ว <laughs> นั่งรถอีกนาน ทำทำสังฆทานร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวา ย, วายเครื่องปัจจัยทยธรมรมพร้อมทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้นนแด่หลวงพ่อปามโมท์ปามโอโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุ ข, สขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครั ว, รรวตราบสิ้นกาลนานเทิ น, นรนนับพผ่อนเสนัยนะยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสากขรังเอวเมวาอยโตทินังเปตานังอุปะกปฏิยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุ สเพปูเรนตูสังคปาฉันโทปนรโสยธรรณิชโชติรโสยถ า, าสพีติโยวิวัตชันตธสปโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอภิวาฒนาสีเลสนิจังอุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏันตีอายุวโนสุขังพระลังหลวงพอ่อ เทศให้ฟังแล้วต้องไปทำนะเจอกันคราวหน้าต้องเปลี่ยนแปลง น, นะต้องดีขึ้นดีขึ้นนะต้องฝึกไปนะแล้วเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงทางพ้นทุกมีจริงๆ